ตอนอบรมคอสนาวมินครั้งที่3ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม2560ตอนที่หนึ่งก็ขจเจริญธรรมท่านผู้สแสวงธรรมซึ่งเป็นกัลยาณมิตรทุกท่านพวกครูใช้คําว่าธรรมจากวันนี้สมวันที่เรามามีโอกาสมาพบ ก, กันใช้ชีวิตที่นี่นี้พวกครูจะใช้ภาษาธรรมไม่ใช่ภาษ า, าศาสนาไม่ใช่ภาษาวิชาการ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 ทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนั้นแหละนะภาษามันยากเกินไปที่พูดปุ๊บทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันนะมันมันไม่เหมือนกันอย่างคาว่าอร่อยอ่เปิดทุเรียนมาบางคนวิ่งใส่เลยโอ้มีความสุขมากบางคนได้กิ่เฉยก็ทุกข์มากคำว่าอร่อยก็ไม่ใช่สัทธรรมมันคืออุปทานตอนนี้เรามาทะเลาะ ก, ก, กันกับอุปทานเหล่านี้เนี่ยเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกัน สังคมโลกตอนนี้ขัดแย้งกันไปทั่วโลกเพราะว่าทุกคนมีทิ่ติมานะของตัวเองนะเพราะครูเกิดเนื่งนี้ก่อนให้รู้ว่าทำไมวันนี้เราต้องเสียสละเวลาอันมีราคาของเราเนี่ยมาทำอะไรก็ไม่รู้สามันทุกวนี้เวลาเราเป็นราคาบางทีมันมันมีราคามากแต่มันไม่มีคุณค่าสาหรับชีวิตเลยบางครั้งแถมทร้ายตัวเองด้วย เพื่อเพิ่มราคานะทั้งหมดคือเราไม่รู้ความจริงว่าชีวิตคืออะไรนะสามวันนี้ไม่มีใครสอนใครนะเพราะครูไม่บังอาจเอาสมองโง่งๆหกสิบแปดปีพาะครูมาสอนจิตไม่บังอาจจิตแต่และดวงนั้นมีอายุหลายล้านชาติเรามีปะสบกันของเราเองแล้วแต่บังเอิญเราแกล้งลืมไม่ใช่แกล้งหรอกมันลืมจริงๆ ตอนเรเกิดมามันไม่ลืมนะเกิดมาวันแรกปุ๊บมันก็แหกปากร้องเลยเนี่ยมันจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไร ท, ทุกทุกทีมีเด็กคนไหนมันเกิดมามันหัวร้อบางดีใจจังเลยฉันอิสลาแล้วร้องให้ทุกคนอยู่ในท้องคุณแม่ไม่ดูร้อนไม่ดูหนาวอบอุ่นไม่ต้องทำมาหากินออกมาปุ๊บสัญชาตญาณไปว่าอะไร สัญชาติญาณคือญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจําได้หมายรู้ว่าเกิดทีไรทุกๆุกทีต่อไปเราจะเจ็บเผชิญอะไรรู้ไหมสมว่าลาบลื่นไปเลยนะอายุมั่นขวัยืนนะเราจ ะ, ะเผชิญกับความแก่นะลุกก็โอยนํ่งก็โอยเราจ ะ, ะเผชิญกับความเจ็บเราจ ะ, ะเผชิญกับความตายแล้วเป็นอย่างนี้มาทุกทุชาติทุกๆุกชาติ แ ล, แล้วกเกิดมาแล้วก็ลืมแล้วก็เดินไปในเส้นทางเก่านะถ้าเราไม่ลืมเนี่ธรรมชาติก็ลงโทษเราไม่ได้ and, นะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไอ้กรรมที่เราทํามาเนี่ยส่งผลให้เรามาเกิดมาในร่างนี้ร่างนี้ร่างนี้ร่างโน้นร่างนี้ร่างโน้นเรียกว่าสุนัขร่างนี้เรียกว่าแมวร่างนั้นเรียกว่าเป็นสุรกายนั้นร่างนน้นเรียกว่าเทวดาร่างนี้เรียกว่ามนุษย์มนุษย์ก็มีหลายร่างร่างที่สมบูรณ์ ล่างที่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนเป็นตัวกําหนดกรรมเป็นตัวกําหนดนะสามวันนี้เ พ, พ, พ, พื่คุปจะไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะเอาประสบการณ์ทั้งทางโลกทางธรรมมาแบ่งปันไม่ใช่ทางศาสนาตอนนี้สงครามศาสนาก็กําลังจะเกิดขึ้นไม่มีเรื่องอะไรก็ทะเลาะกันเองหาเรื่องว่าศาสนานะั้นจะมาทําลายศาสนานี้ พเพราะกลวตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นศาสนานั้นเขาพูจะทำลายศาสนานี้เห็นแต่ศาสนาศสถานี้ทำลายกันเองด่ากันทุกวันนี่คือมนุษย์ยุคนี้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งตัวเองต้องการเป็นคนดีแล้วดีก็ดีแล้วไงจะมองคนอื่นไม่ดีเราด่าเขาปุ๊บเรากลายเป็นคนไม่ดีอย่างยิ่งเห็นไหมเราฆ่าคนชั่วในสายตาเราหมดปุ๊บคนชั่วใหม่เกิดขึ้นก็คนกำลังฆ่าเขานี่คือคนชั่ว นะอันนี้มีหลายอย่างที่พวกครูจะถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อแบ่งปันนะจําไว้ว่าไม่ต้องมีที่ีิมานนะไม่มีใครสอนใครพค่อครูจะไม่โง่ที่จะไปสอนคนจิตแต่ละดวงไม่ใช่ธรรมดากว่าเขาจะก้าวมาถึงตรงนี้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยถูกกันกองไม่รู้มันอกี่ชั้เทวดาทุกขมากที่ต้องเสพสุข เขาบอกให้ทําบุญเยอะๆไปเป็นเทวดาถ้าไปเทวดาทุกข์มากไม่จําเป็นอย่าทําบุญไปขึ้นสวรรค์ น, นะครับเราอยู่ในรถข้างบนน่ะหลายรอบแล้วพอจ่ายหนี้กรรมดีหมดแล้วเกิดออกมาวันแรกเป็นลูกเศรษฐีก็แหบปากร้องเหมือนเก่าเทวดาร้องไห้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่ใช่ทางผลทุกข์แล้วก็หลงมาอยู่อย่างนี้แหละ แล้วก็ขึ้นสวรรค์แล้วก็ตกมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเปรตอสูรละกายเป็นสัตว์ในราชสนุกดีวเวียนว่ายตายเกิด น, นะเรื่องนี้ฟังหูไหว้หูอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อตำราอย่าพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์อย่าพิ่งเชื่อคําเล่าขานอย่าเพิ่งเชื่อที่ทำตามตา ม, ตามกันมานะบางทีเทคนิคในการฝึกจิตที่เราเรียกว่าวัดป่าวัดป่าในบ้านเราเนี่ยนะไม่ใช่วิธีเขาไม่ถูกต้องนะ ผู้เจ้าบอกอยาพุ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมาไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะอนุรักษ์เทคนิคววิธีในขณะที่โลกมันวิ่งเป็นไก่แล้วทุกวันนี้เกิดศึกสงครามแล้วจะขี่คอช้างถือเงี้ยวถือง้าฟันดาบไปสู้กับเขาได้ไหมถูกยิงตายหมดเห็นไหมาศาสดาทุกาศาสดาก็สอนนักดรลาดต้องรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อนุรักษ์ตามใจที่ตัวเองเชื่อ ที่เรียนมันขี่จรวดนะทุกวันนี้แล้วจมวกขี่คอช้างต้มต้มเตียมมันจะทันไหมนั่นแหละเทคนิคอุบายวิธีต้องแปลเปลี่ยนไปให้มันทันโลกที่มันเปลี่ยนส่วนหลักการคือศัจธรรมความจริงของโลกนั้นอย่าบังอาจไปเปลี่ยนไม่มีใครบังอาจาศาสดาไหนก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฝืนกดแห่งกรรมไม่ได้กรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมัน อย่าบังอาจไปช่วยใครยี่สิบแปดปีพรอครูที่หยุดชีวิตมาอยู่ในป่านั้นไม่เคยคิดจะจะช่วยใครเลยช่วยไม่ได้แต่เรามีหน้าที่ให้ทานสิงภาวนาเป็นหน้าที่เราการให้ทานเป็นหน้าที่เราให้แล้วจบเราสำเร็จหน้าที่แล้วส่วนให้แล้วเขาดีขึ้นอนุโมทนาสาธุเขาไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของเขาถ้าเราคิดว่าจะช่วยปุ๊บ เรามีคาดหวังว่าเขาจะดีขึ้นพอเขาไม่ดีขึ้นเราก็มาแบกทุกข์อยู่ตรงนั้นเพราะเราบังอาจไปฝืนกฎแห่งกรรมอันนี้ขนาดทาดีนะคิดว่าช่วยนะยังใช้คำว่าบังอาจเลยไปฝืนกฎแหงกรรมและไอ้ที่ว่าไม่ได้ช่วยไม่พอเนี่ยเขาล้มลงไปก็ใ ส, ส่เขาซ้ำเติมดามันเนี่ยเหยียบมันไม่ให้มันตื่นเลยเนี่ยนะอันนี้ไปกันใหญ่แล้วอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะอันนี้สร้างกรรมมหาศาล บางทีบนโบราณเขาบอกว่านิ่งเฉยตำลึงทองก็คือว่าบางอย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราและเขาไม่ได้ปรึกษาเราสักหน่อยหนึ่งเราอุเบกขาดีกว่าเพราะเรานิ่งปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องสร้างกรรมอันนี้เอาแค่สะใจสะใจสร้างกรรมทุกวันนะมีครูบาอาจารย์เขาก็เตือนว่าทำดีดีก็ทำอยู่บุญก็ทำอยู่แต่ไม่รักชั่วมันจะไปไหนล่ะ เหมือนอาบน้ำมันสะาดแล้วก็ไปทำมันมันเปื้อนอีกแล้วก็สาดอีกเปื้อนอีกมันก็ชักขยิบอยู่นั้นมันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่ที่เกา่าทําดีก็ดีแล้วแต่อย่าไปติดดีนะติดดีมันไม่พอดีโดยเฉพาะหลายๆาศาสนาก็ขอสอนให้คนเป็นคนดีนั่นล่ะแต่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่วาศาสนาพุทธเขาเน้นสอนให้คนพ้นทุกข์ ถ้าติดดีเมื่อไหร่เราจะไปกล่าวหาว่าคนอื่นไม่ดีแล้วก็กลายเป็นคนไม่ดีแล้วเพราะเราไม่มีเมตตาก็เขาผิดไงก็ถูกแล้วไงถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อาภัยใครเลยอยู่ๆเออฉันให้อาภายัยเธอนะเดี๋ยวเขางงมาที่เขาไต่เอาด้วยนะก็เขาผิดไงเราถึงให้อาภัยไงทุกอย่างบางทีแก้โดยไม่ต้องพูดดื้อฟื้นเรื่องอดีตหลัง ใครถูกใครผิก็คือเอาโหสีกรรมเปลี่ยนกรรมนั้นให้กลายเป็นเอาโหสีซ่าไม่งั้นเราจะแบกพบข้ามพบข้ามชาติแบกความพยาบาทนี่ตายแล้วไม่จบนะครับเรื่องนี้ฟังคร่าวๆเนาะให้เราเข้าไปในจิตได้แล้วเรารีายลไไวเข้าไปเรียนด้กับอาจารย์เราอยู่ข้างใน น, นั่นแหละอาจารย์เราของแท้อาจารย์ของทุกคนต้องไม่เหมือนกันมาใหม่ใช่ไหมไป ABC ซกไก่ขไข่ทุกคนเป็นหมุนจนเหมือนกันหมด อันนี้เป็นเรื่องของวิชาการทางโลกแต่เรื่องจิตวิญญาณทําอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ครับแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวั ส, สนาไม่ได้คนนี้เกิดมาถ้าในทางโลกพ่อเขามีพันล้านหมื่นล้านคนนี้เกิดมาพ่อเป็นขอทานเป็นหนี้เขาเยอะแยะมันจะเอาอะไรมาแข่งกันทุนนิยมแข่งขันเซรีพูดได้ยังไงใครมีทุนมากก็ได้เปรียบไหม อคนมีทุนน้อยไปลงทุนเดี๋ไปกู้นี่หยิมสินบวกดอกเบี้ยต้นทุนมันก็สูงจะเอาอะไรไปสู้เหมือนเราเป็นนักมวยเนะี่ยถ้าไม่ชั่งน้ําหนักเนี่ยสู้กันได้ไหมไอตัวใหญ่มันต้อได้เปรียบเห็นไหมแต่ น, นี่พูดได้ยังไงว่าทุนนิยมเสรีฮนะไอทุนใหญ่มันก็ได้เปรียบใช่ไหมมันไปแข่งกันไม่ได้มันเป็นความคิดที่โง้เขาโลกนี้จึงเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นนะฮะอันนี้พ่อคูเกิดเกิดนะครับ เพื่อให้ทุกท่านรู้ว่าที่เราเสียสละเวลาเช่นนี้มาทมาําไมแล้ะพิเดนว่าโปรแกรมเช้านี้เขาให้พ่อครูทำหน้าที่ชี้แจงเรื่องวิธีปฏิบัติสขั้นตอนนะจริงๆแล้ววิธีนี้ไม่มีวิธีแนวทางที่พระครูทําใน่ไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเรามันคือฟรีเอ็กซ์เพชันมันคือนานาจิตตังเพราะพรอครูรู้ว่าทุกคนไม่เหมือนกัน เพราะกูไม่มีไม่มีแต่หนึ่งคำพูดเรื่อหนึ่งการกระทำเนี่ยที่ทําให้ผู้ที่เสียสละเวลามาทดลองสิ่งนี้เนี่ยต้องเป็นจิตกับดักไม่มีมอบให้คําเดียวเป็นเครื่องมือเดินทางของจิตคือเวียงทิ้งเวียงทิ้งเห็นอะไรก็เวียงทิ้งไม่ใช่เป็นเป็นลังเกียจ ม, มันนะคือเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปหลงมัเราเคยหลงมาหลายชาติเหมือนกันเรากําลังรีวล์ไปล้างมาันนี่คือขัดจ่าจิตให้ผ่องใส ทำดีอย่างเดียวไม่พอนะเออทำดีไม่ระวังไปทำชั่วด้วยบางทีทำดีได้สิไปเผือทำชั่วขาดทุนไปอีกยี่สิบนะทำดีล่าชั่วก็ไม่พอต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสโปรแกรมกรรมเราอยู่เหมือนจะเป็นหนี้สินวะเฮ้ย ห, หนี้สินก็สมมุติไม่สนใจธนาคารยอมไหมนะจ่ายจ่ายในทางจิตนะครับอันนี้หลักใหญ่ๆนะส่วน ถ้าในทางโลกเขาเรียกว่าอุบายเขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคที่เราถูพื้นนี้มีหลายเทคนิคจเจ้าผ้ามาถูหรือเอาหม้อมาถูหรือเอาให้กวาดมากวาดนะอัไรเขาเรียกว่าเทคนิคนะในทางพวกจิตวิญญาณเขาเรียกว่าใช้อุบายนะอุบายมีหลากหลายทำแบบไหนก็ได้นะ มีญาติทางบางคนเข้าบริจิตเนี่ยเขาฝึกวิชาใช้หัวเนี่ยมานวดด้วยมามาถูพื้นด้วยเขามีนะมันเทคนิคไม่เหมือนกันถึงว่าอยาจับเขาให้มาทําอะไรที่เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติของจิตวิญ ญ, ญาณทุกจิตวิญญาณต้องมีทีนี้เราไปโรงเรียนปุ๊บเขากลัวได้เปรียบเสียเปรียบพุกคนต้องก๊อปปี้เหมือนกันหมดเลยทุกคนเป็นแค่หุ่นยนต์นะถูกสังคมจัดว่ า, าเธอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเธอต้องเป็นแบบนี้แบบนั้น ความมีสารภาพของเราก็ไม่มีนะเสรีภาพนั้นไม่ต้องสอนไม่ต้องสแสวงหามันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่มนุษย์เราเนี่ยความไม่รู้จริงของเราเนี่ยทำลายเสรีทั้งหมดแล้วก็มาเรียกร้องเสรีกันในป่าดงดิบนั้นสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างสงบสัน ต, ต, ติเสรีโดยแท้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีระเบียบวินัยนกฝรั่งเศสบินมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซ่า มนุษย์เราหาเรื่องขีดวงนี้ประเทศถ้าใช้ภาษาอาจารย์พุทธทาสนะไม่ใช่พกูปกติพอกูไม่ใช่พูดอย่างนี้นี่ของกูนั่นของมึงมึงจะมาบ้านกูมึงต้องขออนุญาต ก, กูก่อนมนุษย์เราทําลายเสรีหมดแล้วก็มาเรียกร้องเสรีกันธรรมชาติเขาเสรีอยู่แล้วเพราะเรามีคําว่าเอาวิชาเนี่ยส่วนมาก 9.9 เปอเซไปแปลว่าคือความไม่รู้ แล้วมันคือความโง่ทุกคนกลัวโง่เรียนรู้ใหญ่เลยเดียนจนจบปริญญาเอกได้วันด็อกเตอร์ทางภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาแล้วคุณประเด็นภาษาให้มาทะเลาะกันทำไมนี่คือองค์ความรู้ของโลกทุกวันนี้ตอนเด็กๆ เ, เราเล่นกันเราทะเลาะกันคุณแม่บอกว่าหยุดลูกหยุดเลยนะเพราเขารักคุณแม่เขากลัวคนที่เขารักเสียใจ แต่ตอนนี้บอกหลุดยู่เพรพี่เขาตีหูก่อนพี่นั่นแหละดีก่อนพี่ผิดฉันถูกยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งพูดกัไม่รู้เรื่องเพราะเราไปเพิ่มอักตาว่าเรารู้มากเราไม่รู้จริงชิอยหนึ่งตอนตอนเด็กๆแม่ต้องเตือนว่าหยุดเขาก็หยุดนะพอโตขึ้นเรายิ่งเก่งเนี่ยเราไม่ต้องต้องให้แม่ไม่ต้องให้แม่เตือนจริเราต้องรู้มากว่าอย่าทะเลาะ ก, กันแต่ตอนนี้ยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้ องความรู้ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกช่วยให้เราเพิ่มทุกแต่ช่วยให้เราเก่งขึ้นคนดีทําอะไรก็ดีคนเก่งทําอะไรก็เก่งทําชั่วก็เก่งคนไม่เก่งมันคอร์รัคชันไม่เป็นเห็นไหมมนุษย์เราดีอยู่แล้วนะแต่เราพัฒนาไปสู่ความไม่ดี ก็พ่อครูก็ดึงมานี่เกิดเกิดว่าเออให้ทุกท่านดูว่าสามวันนี้เรามาทําไมเนาะเพื่อนเขาแนะ่ยนำมา เ, ออเราจะเสียเวลาเปล่าหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็พ่อครูจะทําหน้าที่เต็มที่ทําหน้าที่ที่แบ่งปันจะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดทั้งทางโลกที่ต่อสู้มาแล้วแล้วก็ทางเขาเรียกว่าทางธรรมจริงๆแล้วทางโลกทางธรรมทางเดียวกันคือตายเหมือนกันถ้าทางโลกหลางเงินได้ สิบล้านอายุหกสิบถ้าหาได้ร้อยล้านอายุเจ็ดสิบถ้าหาได้พันล้านอายุพันปีอย่างนี้นะเอออย่างนั้นต้องควรจะอยู่ทางโลกอยู่ทางไหนก็คือตายตายเหมือนกันมันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองตายดีคือยิ้มไปเลยทาไมจะไม่ยิ้มล่ะฮะ เราได้เปลี่ยนร่างใหม่รถนี้สับปะรังเคเราได้เปลี่ยนรถใหม่เราต้องยืมสิอันนี้เราตายรถทุกข์ทรมารมา ก, มากเพราะเราไม่อยากทิ้งมันนะอันนี้ทั้งหมดคือเรามีความรู้ผิดว่าตัวกูไ้ไงคนจีนคนคนตายเขาเรียกว่ากู้เซิ่งภาษาจีนกลางภาษาเจ้าจีบอกกวยซิงคือเปลี่ยนร่างความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียแต่เราไปรู้ผิดว่า โอ้เราสูญเสียคนที่เรารักไปแล้วเราก็เลยทุกข์ไงไอคนจะตายก็ตายไม่ลงฉันไม่อยากตายไม่อยากหา่กหางลูกห่างหลานเห็นไหมเวลาปกติเราถูกระวันที่หนึ่งเราได้เปลี่ยนรถคันใหม่ทําไมเราดีใจจังตอนนี้จะเปลี่ยนร่างใหม่ทําไมเสียใจจังทั้งหมดคือเราไม่รู้ความจริงนะที่วันนี้เปิดประเด็นกันนี้ก่อนแล้วก็ต่อไป พ, พ่อกูจะ อธิบายเรื่องขั้นตอนที่เราก็จะดำเนินนะเราไม่ได้มาฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นที่นี่ไม่ได้สอนอะไรเราไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาฝึกคือมาปฏิบัติเลยทุกคนจูงแขนกันเดินทางกันได้ไม่ใช่วิชาสอน้ากวิชาปุ๊บมันจะมีสเต็ปของมันอันนี้ไม่ใช่วิชานะเหมือนการปฏิบัติทำเราไปคุ้นเคยเนี่ยิอนีกนั่นแหละในสังคมไทยเราเี่ ไปไหนไปปฏิบัติธรรมตามไปดูแค่ไปฝึกวิชาธทำสมาธิจเจริญสติท่านนั้นเองเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปว่าอะไรรู้ไหมครับปฏิบัติคือการกระทําเพื่อให้เข้าใจความจริงตามธรรมชาติไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทําหน้าที่คือผนทางมุ่งสู่วความหลุดพ้นถ้าผู้ปฏิบัติธรรมในทางสายพุทธ เขาต้องไม่ใช่เจริญสติไม่ใช่ฝึกสมาธิต้องเจริญมรรคผลผนิพพานแต่การเจริญมรรคต้องใช้สติต้องใช้สมาธิต้องใช้ปัญญาเหมือนเราถูกตีหัวสรุปเนี่ยเขาใส่กระสอบโยนไปอยู่กลางป่าเราฟื้นขึ้นมาก็ออกมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นนะมัวแต่ฝึกเดี๋ยวเสือมันมากินเราฟอยในป่าเราก็ตายเราต้องหาทางเดินออกจากป่าให้เร็วที่สุด แต่การเดินออกจากป่าถ้าเราไม่ใช้สมาธิก็ขัดขาตัวเองลงถ้าไม่มีสติก็ตกเขวตกบ่อต้องใช้มันยิ่งใช้ยิ่งจานานอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมกินข้าวเนี่ยมันจะไปนั่งหลับตาเนี่ยกินได้ไหมขับรถได้ไหมเพราะปฏิบัตมว่ากินข้าวก็มีสมาธิตั้งมั่นมีสติตื่นรู้ทําหน้าที่เนี่ยถ้าไม่มีสติแล้วก็ ไม่ใช่เข้าปากนะครัไปเขาเ็นทางจมูกนะมันก็มีสตินั่นแหละใช้มันใช้มันใช้มันนี่คือการปฏิบัติธรรมการกระทําอะไรที่ตามธรรมชาติเรียกว่าปฏิบัติธรรมแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยทําตามธรรมชาติเราทําตามกิเลสความเคยชินเราตอนนี้เราแยกไม่ได้หรอกอะไรคือกิเลสเดี๋ยวสามวันนี้เราจะรู้ว่ามันคืออะไรอะไรคือจิต อะไรคือใจอะไรคือสมองและสุดท้ายเป้าใหญ่คือชีวิตคืออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเราจะไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรเราจะไม่รู้ว่าไอตัวความสุขเนี่ยมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรตอนนี้เราสแสวงหาความสุขเท่านั้นเราสแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรากำลังงมเข็มในมหาสมุทรนะครับ ก็ช่วงสมวันนี้เนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนนะเพราะกูก็เป็นฝ่ายที่จะแบ่งปันประสบการณ์ทีนี้ก็ามาทำมาพูดถึงเรื่องโปรแกรมแรกสมมติ ว, ว่าเราจะเดินป่าเราต้องเตรียมเครื่องมือเดินป่าใช่ไหมบางคนมีย่ามมีมีดมีผบฉาบมีอะไรก็แล้วแต่พราะกูเรียกว่าเครื่องมือเดินทางนะโดยการเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ ชีวิตเราประกอบด้วย3มอย่างนี้ร่างกายจิตใจอารมณ์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเป็นช่วงๆพ่ะครูจะพูดให้ฟังว่าร่างกายมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะแล้วจิตเนี่ยที่เรียกว่าจิตมันรูปร่างหน้าใจายอย่างไรมันเป็นอย่างไรและคำว่าใจเนี่ยกับจิตใจนี่มันอันเดียวกันไหมนะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนแรกคือเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์แบ่งเป็นห้าขั้นตอน ถ้าในทางเขาฝึกจิตเขาบอกว่ามี5อารมณ์นะนะโดยท่เฉพาะเรามีโปรแกรมหลักของเราคือ S a d D คือ Check and Dance Check คืออะไร Check up o ย r หม n d ปลุกจิตให้ตื่น Danceercise นะอันนั้นปลุกจิตอันนี้ปลุกล่างกายออกกำลังกายโดยการวิธีเต้นหลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เป็นั่งกดมันไว ปลูกมันตื่นทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ปรับสมดุลทางอารมณ์นะถ้าอารมณ์เบื่อยังไม่เดินทางก็เหนื่อยแล้วนะเนะี่ยคือเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจและไอ้ตัวนี้เราทำตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้ชีวิตเราได้ทุกวันเราต้องเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจตอนเช้ามาเราตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาก็เดินเข้าห้องน้ำอย่างมีสติแปรงฟันล้างหน้านะแต่งชุดขับรถไปทางาน เตรียมพร้อมทุกวันถ้าผู้ไม่ปร ะ, ปร ะ, ประมาณนะมันเป็นวิถีไม่ใช่วิชาอะไรใดทั้งนั้นคือเราปลุกให้จิตเราตื่นให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาว่าเราทำอะไรนะให้อารมณ์มันเฟสเบิกบานตลอดเวลานะอันนี้คือโปรแกรมแรกคือเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับอันนี้ฟังเข้าๆสุดท้ายเมื่อมาแล้วเนี่ย อย่าเพิ่งด่วนสรุปมันคืออะไรพยายามอย่าไปคิดฟัง พ, พ่อครูพูดปุ๊บเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจทิ้งเลยอย่าไปคิดเพิ่มเติมโดยเฉพาะพวกเราเรียนเยอะๆที่พวกว่าเทคโนแกลเนี่ยเรียนไปอย่างเดียวปริยาตีแค่นี้ปริยาโทรแคบออมาอีกปริยาเอกแคบมาอีกยิ่งแหลมยิ่งคับแคบยิ่งคมยิ่งเบาบาง ตัวตนเยอะมากแต่ต้องไม่ได้ท่านเป็นใครเป็นศาสต า, าจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นประธานไม่เป็นคนแล้ววิสัยท่านเราจะแคบเลยเราจะไปนองว่าเรารู้เราเรียนสูงสุดรู้ไงก็รู้เรื่องเดียวไงแต่ในแง่ชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องเดียวนี่คือองค์วิชาในยนุคนี้บีบให้เราใช้เข้าไปเรื่อยๆเบาบางมากแต่ต้องไม่ได้เลยแต่ถ้าเราฝึกจิตกลับกันนะยิ่งฝึกปุ๊บตัวตนยิ่งน้อยลง วินาทีที่เราไม่ทุกข์นะคือว่าเราฆ่าตัวเองทิ้งแล้วเนี่ยเมื่อตัวเราไม่มีใครจะเป็นคนทุกข์มันกลับกันอ๋อวางอ๋อวางไม่ใช่ไปเรียนเขาบอกอ๋อแบกอ๋อแบกอันนั้นหนักเลยเป็นคนอย่างเดียวไม่พอเป็นโนตเป็นนี่เป็นนี่นนแบกหัวขนเยอะนั่นหละคือเราทุกข์นะครับก็โปรแกรมแรกก็เตรียมพร้อมร่างกายจิตใจและอารมณ์ และโปรแกรมที่สองเรียกว่า Search Inside Yourself ทุกวันนี้เรา Search Engine มีโปรแกรม Search Engine ของไอ้บริษัทอะไรละ่ะไม่รู้ล่ะพราะคูไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ตอนนี้พ่อคูใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะกดมือถือไม่เป็นด้วยบางทีมีทุระอะไรด่วนแก้วที่เป็นเลขาพ่อคูเนะี่ยถ้าไปในเมืองแย ก, กเขาให้ก้อนเล็กๆให้พ่อครูเนี่ยนะได้ยินเสียงนี่กดปุ่มนี่ก็พอลอฟังคาสั่ง สบายสบายไม่ต้องไปจำมันเลยเทคนโลยียุคปัจจันนี้เนี่ยถ้าเก่งจริงๆนะเหมือนสตนะีฟนจะ็อบเน่ะเขาสร้างไอโฟนะกดปุ่มเดียวก็พอเลยอันนี้มันมีเพิ่มปุ่มมากขึ้นมากขึ้นนะต้องไปเรียนรู้มันต้องไปจํามากขึ้นเนี่ยมันวุ่นวายสับสนมากเพราะกูใช้ไม่เป็นถ้า พ, ะพ่ะกูใช้เป็นเป็นเรื่องนะทั้งวันไม่ต้องทําอะไรเลยนะการเรีมิกก็คิดถึง พ, พ่อกูทุกคนเนะี่ยฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่รู้วันหนึงกี่โหลก็ไม่รู้ น, นะ ก็เลยใช้ไม่เป็นเราก็เลยรอดตัวไปนะโปรแกรมที่สองคือ s ซ a r c h Inside Yourself ชีวิตเราไม่เคยเซิร์ชมาดูตัวเองเลยดึงตาก็เห็นแปลงสีฟันญาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นสามีภรรยาเห็นบ้านเห็นช่องเห็นการเห็นงานเห็นเงินเห็นตองนะพอกลางคืนหลับตาลงเหมือนคนตาบอดมาเห็นเลยเพราะมันเหนื่อยอันนี้เราดึงเข้ามาเห็นกับตัวเองนะโดยใช้โปรแกรม ปกติเขาทั่วไปก็บอกอัิจบทสี่คือยือนเดินนั่งนอนแต่ตรง น, นี้เนื่องจากมันคับแคบเรามีอัิจบทสามคือยือนแล้วก็นั่งนอนมันเป็นอุบายวิธีดึงให้เราเนี่ยมาเรียนรู้ตัวเองมาดูตัวเอ ง, เองนะ a r ิร์ชอินไ yourself แค่เรายืนเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรเลยทา ต้องต้องมีการทำคือทําคือมายืนเฉยเฉยเดินเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยเฉยเคืออะไรอย่างเดียวถ้ายืนด้วยคิดด้วยนึกด้วยเอ๊ะให้ฉันมายืนทําไมวะเสียเวลาชีวิตมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเด็กกิเลสบัญจะมันจะแทรกเราจะเห็นกิเลสล้วไงเฮ้ยมันคิดไม่เลิกไม่แล้วเลยเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> อันนี้ละ่ะคิดดีก็ดีใจกับมันคิดร้ายก็ทุกข์มากกับมันเราถูกความคิดควบคุมชีวิตเราเนี่ยเราจะเห็นแล้ว ไอ้มันหงุดหงิดเว้ยไอ้เราก็เห็นมเองแหละหงุดหงิดก็มีประโยชน์นะไม่ใช่เราบัฝึกให้มันสงบตอนเราไปฝึกสมาธิหยาดแล้วก็พลังใช้พลังชาญ น, นิกกดมนันไว้หนีไปอยู่ในชาญอู้มีความสุขมากเลยไปหลงสุขในชาญไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยปัญญาไม่เกิดเหมือนเรานั่งดูโทรทัศน์นี่นะเราก็นั่งดูเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยนะแต่ยถ้าเราเป็นนักเรียนรู้ไปวิจัยไอ้พระเอกนี่มันเจ๋งเว้ย เราจะพลาดโอกาสในการเห็นเรืเ่องทั้งหมดแค่อยู่เฉยๆเราจะเห็นความจริงว่าก่อนจะรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเราต้องมาดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นอย่างไรคนโบราณเขาบอกว่ารู้เขารู้เราสู้สึกทุกครั้งชนะทุกครั้ง แต่นี่เราก็ไปแอบดูของเขานะดูเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเราไม่เคยประเมินตัวเองว่าตัวเองมีกําลังแค่ไหนมีแต่ความอยากเขาท้าพบขึ้นไปชกกับมันเลยโดนมันน็อกทุกทีเพราะเราไม่รู้กําลังตัวเองก่อนจะรู้เขาให้รู้เราก่อนให้มันแตกฉานเลยว่าชีวิตเราประกอบด้วยอะไรถ้าเรารู้ตัวเองนะเราจะรู้จั ก, กรวาลทั้งจั ก, กรวาลหมดเลยจะว่าจะรู้เขาเรื่องเลงนะถ้าเรารู้จิตวิ ญ, ญญาณเราเนี่ย เขายังไม่เอ่ยปากเขารู้เลยว่ามันคิดอะไรเพราะส่วนประกอบของชีวิตเขาเหมือนกับเราในะห้องแลบอยู่ข้างในนั่นแหละ Search Inside yourself โปรแกรมนี้ที่อเมริกาบริษัทโซเชียลมีเดียใหญ่ๆเนี่ยมั น, นออกมาใช้แล้วเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยสำเร็จในทางวัตถุสำเร็จแล้วแต่เครียดไปหมดแล้วเรยวนี้ญี่ปุ่นมีโปรแกรมใหม่นะ พรีเมียมายเดย์คืออะไรรูไ้ไมทุกวันศุกร์หยุดก่อนงานสองชั่วโมงสามบ่ายสามเป็นเรื่องท็อกออฟเดอะทาวเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะญี่ปุ่นวัฒนธรรมเขาทำงานหนักเห็นไบางบรทได้ยังไงได้ยังไงบริษัททำไมจะไม่ได้เมื่อวานค่าตัวตายไปคนหนึ่งวันก่อนก็อกีกคนหนึ่งทำไมไม่ได้สู้ไปตายเหรอเห็นไหม ชีวิตต้องสู้สู้แล้วก็ตายยังไม่แก่ตายก็ค่าตัวตายเพราะว่ามันเครียดถ้าไม่ตายก็เงินเต็มบ้านมีของแถมมาด้วยมะเร็งโรคภูมแพ้ทั้งหมดคือเขาไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเขาเอาชีวิตไปสร้างอนาคตเนี่ยชีวิตก็เลียงหมดนะนี่เล่าให้ฟังเนะี่ยเรากลับมาอยู่กับตัวเองบ้างไม่ต้องทำอะไรนะเราจะเกิดปัญญาอย่างมหาศาลเลยมันจะขัดแย้งกับทางโลกเฮ้ยมันได้ยังไง ปัญญาต้องเกิดจากการอ่านเยอะๆต้องเข้าห้องแลบต้องไปเรียนรู้เยอะๆอันนั้นไม่ใช่ปัญญาเป็นแค่ Data information ความรู้และเป็นวิชาของคนอื่นเราเป็นแค่นักเรียนแบบนักกอบปี่เราไม่ใช่นักเรียนรู้เลยเนีย่ยสั ง, งคมเข้าจใจระบบชีวิตเราอย่างนี้ไนงะยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้ตอนไม่เรียนคุยกันรู้เรื่องพอเรียนชั้นสูงแล้วคุยไม่รู้เรื่องเพราะฉันรู้มากอัตราเกิดขึ้นแล้ว นี่โปรแกรมนี้คือดึงให้เรามาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อเราจะแล้วก็ดึงให้เรามาเซิร์ชเข้ามาอยู่กับตัวเองมายืนเฉยเฉยเราจะเห็นความจริงว่าในตัวเรามีไวรัสอะไรบ้างที่มันทําให้เราไม่สงบถ้าเราเป็นหมอเราวิธีใช้โรคไม่ถูกเราก็าให้ยาไม่ถูกอันนี้คือโปรแกรมที่สองโปรแกรมที่สามที่เขาเรียกว่าจิตในจิตนะ ที่ที่พูดทั่วไปพวกูมม่ได้ตั้งชื่อเนี่ยเขาเรียกง่ายๆสมาธิมันเวียนสมาธิเวียนพวกูไม่เคยตั้งชื่อตั้งชื่อปุ๊บกลายเป็นลัที่นิ่งกายพวกูไม่มีลัที่นิ่งกายนะก็ทะเลาะกันทุกวันนี้เพราะความเชื่อไม่ต่างกันกตั้งรัฐที่นิ่งกานะแต่ว่าเขาพูดง่ายๆทั้งโลกมันต้องมีชื่อสิมันมันเรียกมันก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไร เ, เรียกก็เรียกไปแต่อย่าไปติดมันอย่าเป็นหลงว่ามัน มันเป็นไปตามชื่อเห็นไหมเมื่อวานนี้พ่อครูได้หนังสือเรื่องหนึ่งไม่มีใครมากรองไว้ตรงนี้นะผูอ้าอาจารย์ประยุทธ์ประยุตโตเป็นคนเขียนเขียนอะไรเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีเรื่องเยอะแยะเลยนะครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็แปลไปเพีย้ยนพระเจดลบแบบนี้ถ้าใครไม่ทําแบบนี้ไปด่าเขาทั้งบ้านทั้งเมืองนี่คือคําสอนพู้ยิ่งเจ้าเนี่ยต้องท่องจํานี้นี่ของแท้นะ อาจารย์ประยุทธ์ท่านทนไม่ได้ท่านบอกว่ามันไม่ได้แท้เธอเข้าใจผิดแปลพระไตวปิดกไม่เหมือนกันในสายพุทธผู้เจ้าทังกมอย่าเพิ่งเชื่อตำลาเห็นไหมตำลามันในรูปของตัวอักษรของภาษาภาษาเขียนปึ๊บมันหยาบแล้วแม้กระทั่งในสายพุทธเขาไปนเน้นเรื่องนิพพานนิพพานสะกดเป็นภาษาไทยเนี่ยจากบาลีเนี่ยไม่ได้สะกดผิดเลย สายนี้จบด็อกเตอร์สูงสุดทางศาสนาแปลนิพานว่าอัตตาสายนี้แปลว่าอนัตตาอัตตาแปลว่ามีตัวตนสายที่แปลว่าไม่มีตัวตนเราจะไม่เชื่อใครละตอนนั้นผู้เจ้าถึงบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อตำราอ่านเข้าๆค้างตอบไปหาอาจารย์เราอยู่ข้างในเข้าจิตเห็นจิตนี่แหละคือโปรแกรมเนี่ย จิตปัจจุบันเนี่ยเข้าไปในจิตใต้สานึกหรอกมันเป็นเหรียญเดียวน่ะสองหน้าเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์คอมพิวเตอร์ น, นั่นแหะคนสร้างเว็บไซต์ตนนัวนี้ไอหมอนี่มันน่าจะรู้เรื่องจิตวิญญาณนะแล้วก็โทรศัพท์ไร้สายเนี่ยเนี่ยเรื่องจิตวิญญาณนะเข้าไปในเว็บไซต์ออกทุกคนบันทึกโปรแกรมที่ต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันเราจะเห็นเหมือนกันหมดจะเป็นสัญจธรรมอีกล้านปีเขาเปลี่ยนไปไม่ได้ก็คือเกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างคําว่าอนิจจังทุกขังนัตตาบางคนไม่ได้เรียนภาษานี่นะก็คือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะมันทุกขังมันดํารงอยู่ได้ยากอ่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ชั่วคราวมันก็ดับไปอย่างตอนนี้พวกเรานั่งที่นี่เป็นผู้ใหญ่กันหมดเรารีวิวไปดูวีดีโอตอนเด็กๆน่ยตัวเล็กๆเองเป็นเบบี้เอ๊ะ คนเดียวกันหรือเปล่านะพับหนึงมันแก่แล้วทำไมไม่ไม่กินยาแล้วให้มันหนุ่มสาวตลอดเวลาเลยทำได้ไหมเซลเราเปลี่ยนทุกวันนะทุกนาทีนะมันเปลี่ยนเลยนะทำไมไม่เปลี่ยนให้มันมันสาวมันเด็กลงทำไมมันเปลี่ยนให้มันแก่ขึ้นเพราะมันเซลใหม่ไงนี่แหละคือมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันดารงอยู่ได้ยากมันเป็นตามกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ เราเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นอดีตเนี่ยเราผ่านมาหมดแล้วเราเป็นมาหมดแล้วเกิชาติไหนเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นสุนัขเป็นแมวเนี่ยมันก็เกิดมันก็แก่แล้วก็เจ็บมันก็ตายเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติอันนี้คือสัจธรรมความจริงนะอีกจีนล้านปีก็เหมือนๆนะอันนี้แหละเรียกว่าโปรแกรมจริตในจิตแล้วก็เราเรียกว่า inside out โปรแกรมเมื่อกี้นี่ search Inside Yourself ดึงจิตเราเนี่ยเข้ามาดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองรู้ว่าตัวเองกาลังคิดรู้ว่าตัวเองกำลังเบื่อนะทีนี้เราก็ต่อยอดเนี่ยเข้าไปข้างในอีกนะไอไอตัวนี้เหมือนเราเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์เป็นแผ่นดิสต์นะไอไอตัวเซิร์ชอิน s ซโยเนี่ยจะเห็นอารมณ์ปัจจุบันแต่จิตในจิตเนี่ยเราจะเข้าไปในเว็บไซต์ นะเข้าไปในฮาร์ดดิสซึ่งมันมีหลายโปรแกรมในนั้นแล้วก็ลิงก์ไปในเว็บไซต์ต่างๆจิตเรามากกว่าเว็บไซต์ที่เรามีอยู่ทั้งนี้เพราะชีวิตเราหลายล้านชาติเราเคยเป็นมาหมดแล้วแล้วพิสูจน์ได้บางวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่ชอบสอนแบบนี้ถามอะไรบางอย่างไม่รู้ก็บอกเช่นนั้นเองํ <c oughs> นะำพันทุบดีเขาไม่ชอบนะ บอกว่ามันต้องพูดได้พูดได้พูดได้แค่ว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดอันนี้สายพุทธนะ เ, เพระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตไม่ได้บอกว่าผู้ใดจบดอกเตอร์ผู้นั้นจะเข้าใจเราไม่เคยพูดเห็นธรรมคือเห็นจิตจิตปัจจุบันไปเห็นจิตออริจินอลจิตเราจิตเดิมเรานั่นลหละคือกล่องปัญญาประสบการณ์จริ ง, รงๆเราอยู่ในนั้นนะ าศาสตร์แรกที่ผู้ทีเจ้าตัดสู้คือปุกเพนิวาสานุสติยานยานรูน้ว่าด้วยการปรรลุชาติไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอิทธิพลปฏิหารไม่ใช่เรื่องเหลวไหลทุกคนทําได้นะทำไม่ได้เ<ม>ราอายเด็กน่ะตอนนี้ไม่ชี้น้อยที่สุดอายุห้าขวบก็ไปได้แล้วมสมัยพุทธกาลนางวิสาขาเจ็ดขวบตอนนี้เรามีเด็กคนหนึ่งอายุห้าขวบเขาก็ไปได้แล้ว มันเป็นธรรมชาติมันไม่เกี่ยวกับอายุใครจิตเราไม่มีอายุจิตเราไม่มีเพศมันเกิดมาในร่างสตีเพศเอออันนี้สมมุติเราเป็นผู้หญิงอันนี้สมมติเราผู้ชายแต่จิตเองเขาไม่มีเพศนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมต่อยอดจากโปรแกรมเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็ซิร์ชอินไซต์ยูวเซลล์นะซิรเข้ามาเห็นตัวเองเห็นตัวเองมีระดับมีสองระดับ ที่ท่านในทางปึจจิตระดับสามาัมมาทฐานเห็นอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันเรียกว่าเวทนาในเวทนาถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเราไม่สามารถเสดเสดอารมณ์ที่เรียกว่าธรรมในธรรมนั้นธรรมในธรรมนี้นคือธรรมมาลมเป็นอารมณ์ในอดีตและหลายชาติบันทึกเป็นสัญญาอยู่ในนั้นอยู่ในกล่องอยู่ในเว็บไซต์ของเราเข้าไปเรียนรู้กับตรงนั้นเราเป็นมาหมดแล้วถ้าจิตปัจจุบันไปเห็นแล้วว่า ยิ่งใหญ่ขนาดก็เป็นมาหมดแล้วรวยก็ตายรวยก็ทุกเสียสิทธก็ทุกเป็นผู้บริหารบ้านเมืองก็ทุกเป็นอะไรก็ทุกชีวิตที่เหลือเวลานี้มันอยากเป็นอะไรหรือมันจะฉลาดขึ้นไม่ต้องการเป็นอะไรแล้วเราจะเกิดปัญญารู้แจ้งว่าความจริงของชีวิตคืออะไรชีวิตเราไม่ใช่ชาติเดียวชีวิตในวัฏฏะสงสารเป็นล้านล้านเป็นแสนแสนโกาติ เขายกตัวอย่างว่าถ้าเราจําได้หมายรู้เนี่ยเราสะสมกองกระดูกเราเนี่ยนะสมัยเกิดเป็นช้างเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นเศรษฐีปัญญาจบเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้ชนิดน่ะทุกดวงจิตเนี่ยมีกองกระดูกสูงเท่าภูเขาพระสุเมรนสนกดีเนาะเกิดเพื่อสร้างกองกระดูกอีกมาแข่งกันว่ากองกระดูกใครจะมากกว่ากันนะอันนี้เป็นโปรแกรมที่สา ส่วนโปรแกรมที่4นะเรียกว่านานาจิตตังหรือฟรีเอ็กซ์เพ i ชั่นนะไอตัวนี้เนี่ยใช้โปรแกรมเช็คแอนด์แดนส์เช็คอัพยูอัลไม้แดนซ์เซอร์ไซ์นะเป็นตัวที่บูรณาการให้กายจิตเป็นหนึ่งเดียวถ้าในเรียกในทางศาสนาที่เขาฝุจิตเป็นมหาสติปัฏฐาน ทุกวันนี้เราฝึกแค่อนุสติไปกํา ห, หนดน้นกําหนดนี่อนุคือคือเล็กๆนะอนุสตินะมันรู้ตัวทั่วพร้อมเอามาขี่จักรยานเอามาเดินเอามาทํางานเฉยๆแต่มันไม่มีกําลังสามารถจะระลึกรู้อดีตได้มันไม่สามารถกลับไปเอาอดีตบรารมีมาต่อยอดได้เราต้องพัฒนาไปสู่มหาสติที่เพิ่งฝึกกันอยู่ก็อนุสตินะอยู่ในฐานกายปึ๊บ ไปเพ่งเวทนาในเวทนาแล้วไปนั่งดูจิตอันนั้นเป็นแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยพลังฌานเนี่ยพอมันเข้าไปปุ๊บก็เสพทาในธรรมาลึกชาได้เหมือนกันแต่ไม่แสดงออกกายภาพอันนั้นเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่แต่ไม่ใช่มหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานไม่ใช่เห็นอดีตอย่างเดียวนะต้องบูรณาการมาทางกายไปทางจรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วรักษาร่างกายด้วยจ่ายนี่กรรมทางร่างกายด้วยนั่นแหละโรคภยัยไข้เจ็บที่เราเป็นทางมันมันหายได้ ไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับผลของกังบี้หมัดหมานี่ปวดหัวอักขายแย่เป็นอัมภาตจําไว้ไม่มียาวิเศษในรักษาโรคเวรโล ก, กังมันแค่บรรเทาเฉยๆปวดหัวปุ๊ก็กินยาบรรเทาปวดมันไม่ได้หายนะมันระงับประสาทไม่ให้มันรับรู้ความปวดนั้นเฉยๆอันตรายมากทําอย่างนั้นบ่อยๆปุ๊บ อ้ยานี้มีสารตกค้างทุทกทเม็ดนั่นแหละยาการบูดกันเสียกันรามีเราถ้ากินนานามันก็สะสมน่นแหะเป็นสารตกค้างนั่นคือมะเร็งและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราไปกบเกินความไม่ไม่ใช้มันหายปวดมันปวดมันก็จะพัฒนาสู่พ่อคูนี่ไปถึงขั้นลนะเป็นไมเกรนนะละแล้วก็อะไรความเครียดลงกระเพาะละแก๊บมันกำลังดันไม่เป็นโรคจะเป็นโรคหัวใจมาเกินว่นาบุญเก่ามันระเบิดก่อนมันหายเดี๋ยวนั้นเลย ยี่สิบแปดปีไม่ต้องกินยาแก้ปวดอะไรกับ เ, เขาชิมเงินนี่คือเราได้ชีวิตบบ น, นตอนท่านเราได้แค่เงินนะได้แค่เงินแล้วก็เอาเงินมารักษาสุขภาพนะเราเห็นด้วยตัวเราเองไงไม่มีหนังสือเล่มไหนมันบอกเราเป็นอย่างนั้นนะเขาก็เขียนบอกอยู่เขาก็เขียนบอกแล้วก็แปลไม่เหมือนกันอีกเห็น ไ, ไหมจึงมีคําเตือนว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำรา แม้กระทั่งพ่อครูพูดอะไรอย่าพึ่งด่วนเชื่อนะฟังเหมือนฟังอู้ยวหูอย่าพึ่งปฏิเสธฟังปุ๊บอย่าพึ่ไปคิดเพิ่มเติมฟังเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจทิ้งผ่านถ้าเราจางปุ๊บกลายเป็นขยะความรู้ทันทีเป็นสัญญาใหม่วันนี้คืนนี้ไปคิดขึ้นมาอกีก็เอามาคิดปุงกังนอีกปุงจักอีกก็เพิ่มขยะความรู้อีกยิ่งมายิ่งหนาขึ้นสร้างอัตตาโดยเราไม่รู้ตัวเราหลงว่าเราเราเป็นผู้รู้ ความรู้นั้นไม่มไม่ ม, ม, มีนั้นไม่แต่หนึ่งความรู้ของเราเลยสตีฟจอห บ, บอกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่คนอื่นผลิตอาหารที่เรากินก็คนอื่นเขาทํามานั่นแหละคันยศที่เราใช้ก็คนอื่นพัฒนานั่นแหละเขาบอกว่าไม่ยิ่งใหญ่เราเป็นแค่คนตามเฉยเฉยชีวิตนี้เขาต้องทําอะไรที่ยิ่งใหญ่หไหมเขาก็ทําสำเร็จแล้วแต่เราไม่กล้าคิดนอกกรอบเพราะเขาบังคับเลยต้องคิดตามหลักวิชาการ ก็วิชาการมันผิดตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะคิดถูกได้ไหมมันก็ถูกตามที่มันถูกแต่มันแคบไงมันแก้ปัญหาเรื่องเดียวแต่ความเป็นจริงมันมีหลายเรื่องเห็นไหมวิสัยทัศน์วิชั่นเรากลายเป็นคับแคบมองอะไรมุมเดียวนะครับน า, นานาจิตตังเนี่ยเป็นตัวเสริมกําลังเราให้อินสีพระละของจิตเราเนี่ยมีกําลังมากขึ้นสะสมแต้มไปเรื่อย สะสมแต้มไปเรื่อยๆนะลดวิบากกรรมไปเรื่อยๆตัวนี้เพิ่มมาเรื่อยๆวันใดฝ่ายกูศนนี่มันมากกว่าคําว่ามันตัดกรรมคําว่าตัดกรรมไม่ใช่กรรมหมดนะเพราะกูขอยกตัวอย่างหลายๆศาสน า, าล่นะเพียงแต่ว่าในสายพุทธเนี่ยเจ้าชายศิริฐานเนี่ยตัดสรุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาทุกคนยอมรับพระองค์จบแล้วไง เหนือบุญบาปแล้วไม่ต้องสร้างบารมีแล้วแล้วทําไมยังต้องสร้างศาสนาขึ้นมาทํ 4, 5, าหน้าที่อี่สิบห้าพรรษาไอ้ตัวนั้นทำเพราะทำไม่เนื่องด้วยอะไรแต่ในช่วง 4, 5, สี่ห้าพรรษายังโดนเทวทัตเล่นงานเลยอ้าวทำไมกรรมยังมีอยู่เราสามารถชนะกรรมในตัวเราเราไม่สร้างกรรมอะไรอีกแล้วแต่กรรมที่บันทึกในจิตคนอื่นที่เขาพยาบาทเราไม่ยังเกิดขึ้นแต่มันกระทบไม่กระเทือนเพราะจิตเรา ไม่ง้อที่จะไปทุกข์กับมันจนกว่าวันใดเนี่ยที่เราละสังขารขันห้าตอนนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกกะาะ t นี้เนี่ยกระแสะกรับมันก็ไล่บี้เราไม่ได้ทุกคนทำได้นะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวมันอยู่ข้างในพร้อมแล้วอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปหาเขาหรือไม่อาจาร์เรารออยู่เข้าไปหาอาจาร์เราเถครับ ท่านมีประสบการณ์มาห า, าศาลเราเป็นมาหมดแล้วจะพิสูจน์ยังไงด้วยตัวเราเองบางท่านชาตินี้ไม่เคยฝึกโยคะเลยพอเข้าไปปุ๊บจิตเดิมเขาเคยฝึกโยคะเขารู้ว่าร่างกายนี้ความเจ็บป่วยมันเนี่ยต้องไปเอาวิชายโยคะเขาวิชายโยคะมาสอนจิต ป, ปิจิบัติร่างกายปิจิบัติก็ตา่างๆสุดท้ายโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็หายแล้วเราก็ทําโยคะได้ทันทีเลยต่อไปนี้นี่คือตัวปัญญาปัญญาไม่ได้แปลว่ารู้มาก คือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ทำได้และทำได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป้าหมายเราสูงสุดคือวางได้มันปัญญาสูงสุดคือเรารู้แล้วว่าอะไรก็ไม่ใช่เราก็วางความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นแหะคือเป้าหมายสูงสุดของเราส่วนโรคภยัยไข้เจ็บที่มันหายเนี่ยเป็นแค่ผลพลอยได้โรคที่ต้องรักษานะตายเรายังไม่จบนี่นะมะเร็งนี่จิ๊บจ้ย เอ็นนี่จิ๊บจ้อยนะถ้าเราไปจ่ายหนี้กรรมเพรา ก, กูเห็นมาหมดแล้วอามาัมพาต น, นี่จิ๊บจ้อยยี่สิบเจ็ดปีเดินไม่ได้มันเวียนไม่กี่วันมันก็ไปขึ้นมาเดินแล้วหลายหลายโรคไม่ใช่เกิดขึ้นจากกายภาพเลยจริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปทานเมื่อเราจ่ายหนี้กรรมล้างอุปทานทางจิตแล้วเนี่ยพรกะูตั้งแต่ ระเบิดที่อเมริกางานแรกพ่กคูไปไต้หวันไปเยี่ยมหมอคนหนึ่งเป็นยากอะไรเนี่ยนะไปกินเหล้าไปลงแล้วก็เป็นอัมพาตพ่อ ก, กูไปสอนเนี่าพอเขาเข้าไดินจิตเนี่ยปกติมือเขาดึงไม่ได้มันออกมาลำเชยเลยถ้ามันเป็นจริงมันออกมาลำได้ยังไงพ่อ ก, กูถ่ายวีดีโอไว้หมดล่ะให้เขาดูว่หาหมอเน้นหามอเนี่ยตอบสิมันคืออะไรก็บอกไม่รู้พอมันบางอุปทานแล้วมันก็ไม่เป็น เขาเรียกว่านักปราชญ์ของฝรั่งเศสคนนั้นชื่อเดกาามิสเตอร์เดกาาเขาเคยพูดคำหนึ่งว่าไอติ้งเดลฟอแอนฉันคิดตัวตนฉันจึงเกิดนะฉันคิดดีฉันก็รู้สึกดีฉันคิดไม่ดีฉันรู้สึกไม่ดีฉันคิดกลัวฉันรูก้กลัวความคิดทำให้เราเป็นทีนี้มนุษย์เราทั้งโลกเนี่ยก็เอาปัญญานี่มาใช้ก็เลยแก้โดยคิดบวกนะ ก็มันคิดไงแล้วก็คิดบวกสินะคิดบวกนี่เหมือนอะไรเหมือนยาแก้ปวดพอิ์ยามันหมดถ้าคุณไม่เลิกคิดคุณก็ปวดอีกต้องแก้ปายเหตุนนะคิดบวกสร้างอุปทานใหม่เพื่อกบเกิด อ, อุปทานเก่าเท่านั้นเองคุณไม่ได้ดักอุปทานเก่าเลยหรือใครปฏิเสธว่าคิดบวกไม่เนื่องด้วยความอยากอยากสําเร็จอยากอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้มีโปรแกรมนะ พวกกูอยู่ในป่าเนี่ยบางทีติ ด, ตดกรรมเอาขหารนี่เลยเหรอพวกกูได้ยินว่าโปรแกรมปลูกยักษ์คนคุยกันไม่รู้เรื่องมันปลูกยักษ์มาคุยกันนะเพราะความอยากชนะเพราะความอยากได้กิเลสทั้งนั้นเดี๋ยวเดี้ยงนะเอาเราจะแก้ยังไงไม่ต้องคิดลบได้ไหมก็ไม่ต้องคิดบวกเลยมีหน้าที่อะไรทาไปอย่างมีความสุข อยาคือที่มาของทุกอยาคือที่มาของกุกธุแน่ๆเอาละมีครูบาอาจารย์บางลูกบางองค์แม้กระทั่มยกตัวอย่างว่าเหมือนเราเป็นนักมวยเนี่ยโอ้แพ้แน่ๆเว้ยมไม่มีกําลังถ้าบอกว่าโอ้กชนะแน่ๆเขื่ อ, อนๆหนึ่งปลุกปลุกยักษ์ขึ้นมาเอาเปรียบเขานะัเอายักษ์มาชกกับคนนะแล้วทีนี้ชนะโอ้ยดีใจการชนะของเราเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากทําให้คนอื่นแพ้เบียดเบียนไหม นรกนะั้นกิเลสทั้งนั้นไอคนทั้งนอกพูดไม่เป็นไรนะไอคนในศาสนาไปพูดไปสอนในข้อแบบนี้ไปสนองตัญหาผู้คนมันไม่ใช่ทางพ้นทุกมันเป็นการเพิ่มทุกแล้วบังเอิญวันหนึ่งมันก็คิดบวกอีกเออขูคเคยชนะแล้วขูไปคิดบวกบังเอิญไปเจอคู่ต่อสู้คิดบวกมากกว่ามันอีกมันเอายักษ์ตัวใหญ่กว่าเลยเนะี่ยโดนน็อกนีกฆ่าตัวตายเนะื่องพาะมันหวังมากแต่คนคิดลบ คุณน่าจะแพ้แต่มันชกเต็มที่มันแพ้แล้วมันไม่ทุกเนะีเพราะมันเตรียมใจไว้นละ้วนี่แหละวัตถุนิยมเราทุกทุกวันนี้เพราะความคิดเราก็เอาความคิดเนี่มาแก้ความคิดมากบเกลื่อนเฉยเฉยมาสร้างอุปทานใหม่มาเบียงเบ่นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดแค่ไม่ต้องคิดลบมีหน้าที่อะไรตั้งใจทํา มิสมาธิตั้งมั่นเพราะว่าเราโทเทอรี่เราวาดรูปเนี่ยเราก็วาดรูปรอยอร์เเนี่ยเห็นไหมอารมณ์ก็แทรกเพาะนั้นคือความสุดอย่างนี้แต่ถ้าเราเป็นคนมีอนาคตมีความอยากวาดห้าสิแบ่ง5 0าว่าเอ๊จะได้เป็นแชมป์หรือเปล่าวะเออวาดเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะไปทําอะไรวะก็วาดถูกวาดผิดพรุ่งนี้เป็นอนาคตของวันนี้สีมันแท้งได้เท่าไหร่ได้5 0าแต่ถ้าเราไม่มีอนาคต เราเม็ความสุขการวาดเลยเมื่อสมาธิตั้งมั่นเนี่ยอารมณ์แทรกไม่ได้เลยมันมีพลังน่ยว่าเงียบเลยพรุ่งนี้อนาคตสีแห้งได้ร้อยเปอร์เซ็พราะครูถึงเน้นบอกว่าอย่าไปห่วงอนาคตมากมายมันมีอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าอนาค ต, าาาคตชาติหน้าก็าอนาคตไงมีหน้าที่ทาปัจจุบันให้มันดีที่สุดแต่เราอยู่อนาคตเราคอร์รัปันหน้าที่นะ แทนที่จะเอาเวลาเราทำหน้าที่ร0 0เรเนี่ยเราคอร์รัปชันหน้าที่แอบเอาส่วนหนึ่งไปคิดเรื่องอื่นเราวรอคนอื่นได้เราหลงจิตเราไม่ได้เนพราะความอยากโอเคนะฮะนี่โปรแกรมที่4ี่นะครับโปรแกรมที่4ี่นี่มันจะบูรณาการทั้งหมดเลยจริงๆแล้วมีโปรแกรมที่5อันนี้ต้องรองให้ท่านชํำนางก่อนเราเรียกว่าสุริยันจันทา เช็คแอรันยังเป็หน้าที่เช็คเช็ไม่มีสเต็ปไม่มีท่าที่ตายตัวเราไปเต้นอาราเบียก็ยังเครียดนะมันต้องมีฝึกกลัวจะเต้นผิดเใช่ไหมชีวิตเราไม่เคยอิสระเลยทําอะไรต้องควบคุมต้องคอน้นทวนต้องสั่งการแต่สี่ห้าโปรแกรมนี้ไม่มีไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึก just do it เต้นก็เต้นฉันจะเต้นท่าไหนแล้วแต่ความถนะัด ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะถูกหรือจะผิดเราจะเข้าพบความอิสระมันไม่มีอะไรธรรมะคือสัจธรม ร, ธรมสัจธรรมของความจริงเรายกมันก็นำเราวางแล้วก็เปาเวลาเราวางนี้ต้องไปฝึกวิชาวางไหมต้องไหมครับคุณพ่พอต้องไหมต้องฝึกวิชาวางไหมไม่ต้องฝึกใช่ไหมเรายกอย่างนี้เออพอยกได้ให้ยกเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ให้กินไม่ให้นอนีะได้ไหม มันชักหนักเลยอยากให้มันเบาทำยังไหนวางยากไหมต้องไปเรียนวิธีวางไหมนี่คือธรรมะไม่ใช่ไปสอนวิชาน่นวิชานี่เป็นธรรมะอันนั้นไม่ใช่ธรรมะอันนั้นเป็นวิชาการเป็นแค่จิตวิญญาไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาอะไรตรงๆเลย เห็นไนี่หละสามวันนี้เราจะสัมผัสอารมณ์นี้แน่นอนเรากำลังเต้นอยู่อย่าง ก, กับคนบ้าเราฝึกวิธีนี้นะเราจะบรรลุขั้นแรกเราจะเป็นคนเพีย้ยนเราจะรู้สึกเราเพี้ยนเราไม่เหมือนเก่าเราจะเพี้ยนในสายตานคนรอบข้างสมมติเาเรามีเพื่อนที่เล่าด้วยกันใช่ไหมปกติก็ทำงานเหนื่อยแล้วไม่ไปแก้เหนื่อยดีกว่า ไปเที่ยวเดือๆให้มันเหนื่อยกัวเก่ากแล้วไปเสียเงินไปมองตัวเองหังมันแก้เหนื่อยแบบนั้นนะหลังจากเต้นไปเต้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ไปกับเขาเขาบอกไอ้นี่มันเพี้ยนแล้วเราจะเป็นคนเพี้ยนในสายตาเขาถ้าเราไม่กล้าเพี้ยนเราก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้ถ้าปฏิบัติแล้วยังเหมือนเก่าเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยา่าไปปฏิบัติให้มันเสียเวลานะวิชาแรกเราจะเพี้ยนถ้าอย่าหยุดนะวิชาที่สองนี่น่ากลัวมากเราจะเป็นคนสิ้นคิดเราจะไม่คิดเลยเราจะทําหน้าที่อย่างตั้งมั่น ถ้าถ้าไม่หยุดนะวิชานี้น่ากลัวมากเราจะไม่มีอนาคตเราจะอยู่ปัจจุบันตลอดกลัวหมดละ่ะคนที่ถูกสอนนี่สามวิชานี้แล้ววิชาสุดท้ายนี้น่ากลัวมากเลยเนี่ยยังไม่สายนะทุกคนหยุดได้นะอย่าเดินต่อไปเราจะไม่มีวันผุดวันเกิดทุกวันนี้ทําอะไรเพื่ออนาคตทํำมุนก็เพื่ออนาคตอันนี้นะ่ะปฏิบัติเพื่อไม่มีอนาคต ถ้าไม่พร้อมอย่าทำนะครับเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังของจริงอยู่ที่ว่าจะเอาจริงมั้ยแต่อย่ากลัวนะนะมีคนไปทำบุญที่ศูนย์พรอครแล้วเนี่ยนะกลุมนั้นติดบุญไงเขาเห็นพี่แก้วลากวนยิ้งคนนี้พวกนี้เขานักถือบริสันต์ม า, าก่าแก้วใหม้มาเ่ะให้พรพี่หน่อย เก้วให้กอนยังไงะเขาก็พูดเหมือนประคูลให้มันรู้มั่งผลนิพพานไว้ไม่เอาไม่เอายังไม่อยากจะไปกลัวไปนิพพานเขากลัวเขาจะตายนะไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายเราตายอะไรเนี่ยเออเราดับความทุกข์ได้แล้วเราตายจากความทุกข์เป้าหมายสูงสุดชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นโอเคนะครับก็ได้เวลาพอสมควรนะครับทุกท่านจะได้ไป ่านข้าวกันและช่วงบ่ายมาพบวกวันดีเพราะครูจะอยู่กับพวกเราทั้งสามวันจะมาแลกเปลี่ยนเป็นช่วงๆและช่วงนี้เนี่ยทุกๆวันตอนเย็นจะมีให้คาถามนะครับเขียนมาจะเรื่องอะไรก็ช่างใช้โอกาสนี้นะให้พ่อครูมีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษานะเขียนมานะถ้าอะไรไม่สะดวกจะลงชื่อก็ไม่ลงชื่อแล้วพ่อครูจะ ให้ข้อคิดทั้ง3ามวันโอเคนะครับ